ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นกลางๆงนะไม่เหมือนคนคนนีเรื่องมากคนเราเนี่ยเรื่องเยอะไห ม, ย เ, เ, ยมยเยอะใช่เห็นไหมเห็นไหมธรรมชาติเขาสบายๆต้นไม้เนี่ยเขาเฉยเลยนะเวลาฝนตกเขาก็เฉยแดดออกเฉยลมพัดมาก็เฉยะ ถึงฤ ด, ดูแรงโอ้ฤ oh, ด, ดูแรงมาเนี่ยล่วงหมดเลยนะใบอ่ะมันแรงมากต้นไม้ก็ต้องปรับตัวมันก็ต้องคายน้ําออกวิธีคายน้ํำออ ก, ขออกเขาก็ต้องสลัดใบไม่ต้องมีใบถนอมรักษาน้ําเอาไว้แต่พอเริ่มตกลงมาพอได้น้ําอเขาก็เริ่มผลิตใบแตกใบอ่อน แล้วก็ใบก็จเจริญเติบโตงอกงามปรุงอาหารมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยธรรมชาติเขาต่อสู้เขาต่อสู้โดยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องมีเรื่องมากนี่เขาสู้แบบนี้คือสู้ไปตามเหตุการณ์เลยถ้าหาว่าเราเนี่ยรักษาใจเราไว้แล้วก็สู้ด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็ง ไปตามเหตุการณ์นี่เรียวไปตามเหตุปัจจัยนะเราจะอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการอะ่ะมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไปตามเหตุการณ์ของมันในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นะ่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเราต้องหันเข้ามารักษาใจเรารอโอกาสรอเวลาที่มันจะลงตัวถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตเราจะสบายขึ้น แต่ทีนี้เราทําใจไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตของเรามันเร็วมากมันรวดเร็วมากเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นพับเนี่ยปฏิกิริยาของจิตมันจะมีนะปฏิกิริยาของจิตมันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติก่อนคิดปั๊บเรื่องนี้ควรทํายังไงมีความรู้สึกสบายไม่สบายมันจะเกิดขึ้นเองเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะรู้ทันทีเดยอ๋อจิตของคนเรามันเป็นอย่างนี้ มันไวมากเนี่ยมันเร็วมากเราจะห้ามให้จิตเราไม่คิดไม่ได้ไม่ให้เราเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ให้เราไม่มีความรู้สึกไม่ได้มันต้องมีความรู้สึกขึ้นมาแต่ไอ้ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะสว่ามีใครเดินเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายมาอย่างเงี้ยว่าเขาแต่งตัวดีเนี่ยเราก็จะคิดอีกอย่างหนึ่ง แต่งตัวดีนะรูปร่างหน้าตาดีนั่นเนี่ยเขาจะมาจีบเราหรือเปล่าแต่ถ้าเขาแต่งตัวดุงลังหน่อยนะหน้าตามีหนวดเขาหน้าตาเยี่ยมเยี่มหน่อยจ้องเขม่งมาที่เราเฮ้ยยังไงกันวะเนี่ยจะวิ่งดีหรือว่าจะทํำยังไงดีเนี่ยมองซ้ายมองขวาหาที่พึ่งนี่คือปฏิกิริยาของจิตพวกนี้มันเกิดเองโดยธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะมนไม่ใช่เราเลยนะมันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะรู้ทันไหม สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยเราจะรู้ทันหรือเปล่าถ้าเรารู้ทันมันก็เกิดแล้วจะดับไปนะเราควรทํำยังไงก็จะทํานี่คือวิชาของพระพุทธเจ้านะฟังเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้วิชาของพระพุทธเจ้าเข้าใจแต่อาจจะยังไม่เห็นถูกไหมยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีพยานในจิตเราแต่ถ้าเราเข้าถึง เราจะเห็นเลยมีพยานหลักฐานเดียบร้อยเลยในจิตของเรานี่นี่คือวิชาของมูตเจ้านะแล้ววิชาที่เราเรียนเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งเราเรียนเป็นความจำเราต้องมาเรียนรู้มันเป็นความรู้เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดอันนั้นก็มีความจำเป็นระดับหนึ่งแต่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ชีวิตเรายังมีความทุกข์อยู่อันนี้คือปัญหาเราทำมาหากินไปเราต้องการความสุขมีเงินหาเงินก็ต้องการความสุขอยากมีข้าวของก็ต้องการความสุขอยากได้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เพราะชีวิตเราต้องการความสุขแต่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตก็ยังเป็นทุกข์อยู่เงี่ยมันจึงไม่บรรลุปเป้าหมายของชีวิต ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงเข้าไปหาความดับทุกข์เลยไม่ต้องมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็คือความสุข <c oughs> เขาเรียกบุลมมาสุขสุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงคือไม่มีทุกข์ความสุขของเราที่ว่าสุขสุขก็ยังเป็นความทุกข์น้อยลงไปก็เรียกวเป็นสุขจริงๆมันก็ยังเป็นความทุกข์นะแต่ว่ามันทุกข์น้อยหน่อยเราก็เรียกว่าความสุข ขณะที่เราส mm okay. pues okay. mm ุขเราพอใจเนี่ยใจหนึ่งก็กลัวว่ามันจะหายไปบางทีก็มันไม่เต็มอิ่มไม่เต็มที่เนี่ยความสุขเนี่ยที่เราได้มามันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เต็มที่มันยังไม่เพียงพอมันยังต้องการอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นนี่พิมันยังบกพร่องในจิตเราเนี่ยมันจึงไม่ใช่สุขที่แท้จริงแล้วก็กลัวว่ามันจะหายไปกลัวว่ามันจะไม่สุขตลอดไป เนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่ในจิตของเราถ้าหาว่าเราไม่มาเดินตามทางของพระพุทธเจ้าไม่มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่พบความสุขที่แท้จริงคำสอนของใครก็ตามจะไม่มีทางที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้จะมองเห็นทางที่จะทาให้ชีวิตนี้ไม่มีทุกข์ คือมีความสุขที่แท้จริงแล้วเป็นความสุขที่เต็มที่ด้วยบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีทุกข์เข้าไปแทรกเข้าไปเจือปนนี่คือคําสอนของมเจ้านี่คือทางของมุติเจ้าจะแตกต่างจากคําสอนของคนอื่นตรงนี้นะเพราะฉะคําสอนของมเจ้าเนี่ยจะพยายามสอนไม่ให้มีทุกขสอนเพื่อแก้ทุกขสอนเพื่อดับทุกขตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าเออความสุขความทุกขเนี่ยมันมันอยู่ที่ใจ แต่ที่นี้เรายังไม่ได้ศึกษาวิธีที่จะมารักษาใจเราเราต้องมาเรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจเราอาจจะรู้บ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่มีความเพียรยังไม่มีความพยายามที่จะศึกษาให้มันเพียงพอแก่ความต้องการเรามีเวลาทําอย่างอื่นมากมายเลยนะเราทํานูน่ทนทํานี่มากมายมีเวลาหมดเลยไปเที่ยวก็มีเวลา ไปนุ่นไปนี่มีเวลาไปพูดไปคุยกันมีเวลาแต่เวลาสําหรับที่จะมาศึกษาเรื่องจิตใจของเราไม่ค่อยมีมาศึกษาทางที่จะทําให้มันดับทุกภายในใจเรากลับไม่มีศึกษาเรื่องราวที่มันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขเต็มที่บริบูรณ์สมบูรณ์เรากลับไม่มีเวลา เหมือนกับเราเราเดินสวนทางกับความเป็นจริงชีวิตจริงๆเนี่ยต้องการความสุขแต่เวลาเราดำเนินชีวิตอ่ะเราเดินทางไปเพื่อทำให้ความทุกข์นี่มันเพิ่มขึ้นก็มีด้วยแทนที่จะดำเนินชีวิตแล้วความทุกข์น้อยลงไปเนี่ยเรากลับดาเนินชีวิตไปแล้วความทุกข์เพิ่มขึ้นด้วยก็มีด้วยนี่คือ มันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยเป็นทุกข์มากเดือดร้อนมากวุ่นวายมากชีวิตเนี่ยต้องการความสุขลืมไปว่าชีวิตต้องการความสุขถ้าหาว่าเรารู้ว่าชีวิตต้องการความสุขเนี่ยเหมือนกับว่าทุกย่างก้าวของชีวิตเราจะต้องพยายามให้มันเป็นสุขขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตาม เราต้องไม่ทิ้งเป้าหมายของเราว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของทุกคนของทุกชีวิตคือความสุขมันก็จะถามตัวเองอยู่เลยว่าทาอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดทุกข์ได้ไหมเกิดปัญหาได้ไหมถ้ามันเกิดทุกข์เกิดปัญหาไม่เอาเพราะว่าเราต้องการความสุขถ้าหากว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันถูกต้อง มันเป็นทางที่ถูกต้องมันเป็นไปเพื่อมีความสุขอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันทำแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทางดำเนินไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์อันนี้แสดงว่าเราลืมเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเราเรียนหนังสือไปศึกษาเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิต เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราทุกลมหายใจเข้าออกต้องเป็นไปเพื่อที่จะสแสวงหาทางดับทุกข์ต้องพยายามหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเองให้ได้อย่างน้อยชีวิตเราความทุกข์ต้องน้อยลงไปถ้าอย่างเนี้ไม่หลงทาง แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าเราหลงทางทําไปด้วยความหลงทาไปเรื่อยๆเรียนก็เรียนไปสักแต่ว่าเรียนมันก็เหมือนกับว่ามีสังคมเขากําหนดไว้ให้ก็คือเรียนหนังสือไปจบแล้วก็หางานทำนี่คือความหวังของเราหางานทําได้เงินนะแล้วก็จะได้ของตามที่เราต้องการเนี่ยคือความหวังของทุกคนเป็นอย่างเนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เกินจากนี้ไปแล้วก็พอถึงวัย พอสมควรมีคนมาชอบพอกันก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวนี่คือความคิดจินตนาการของเราความคิดของเราคนที่จะมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเอออมก็หลงเหมือนเรานี่แหละยังไม่รู้เลยว่าชีวิตคืออะไราจะดาเนินชีวิตไปเพื่ออะไรกันเป้าหมายของชีวิตคืออะไรก็คิดเหมือนกันเนี่ยคิดเหมือนกันว่าเออก็คือเรียนหนังสือไปพยายามให้มันจบ พอจบแล้วก็จะหางานทาหรือไม่งั้นก็เรียนหนังสือต่อไปเพื่อให้ได้การงานที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของสังคมพอได้การได้งานเรียบร้อยแล้วก็ก็แต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกก็เลี้ยงดูลูกให้เขามีคุณภาพให้มีชีวิตแล้วจากนั้นเราก็แก่ลงไปแล้วก็ตายไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยคิดด้วยว่าสุดท้ายต้องแก่แล้วก็ต้องตายไปเหมือนความเข้าใจชีวิตมันก็เลยไม่ค่อยจะมีกัน มาทำไปเรื่อยเหมือนมีกระแสของสังคมเป็นตัวกาหนดสังคมก็มาจากกิเลสเหมือนกันจิตใจเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนะมันมีกิเลสก็เลยเอากิเลสนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดวิถีชีวิตของสังคมของตัวเองมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปทีนี้ในขณะที่เราเรียนในขณะที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะมีความอยากความต้องการรุนแรง ในบางเรื่องในหลายๆเรื่องความอยากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นมันมีที่ผลต่อใจเรามากมันจะบังคับเราเวลาไอ้ความอยากความต้องการพวกนี้มันครอบงำจิตเราเนี่ยเราทนมันไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เราฝืนมันไม่ได้เราแพ้มันเราไปทำตามมันไปทำตามมันเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับเราบางครั้งมันไม่ควรทา ทำไปแล้วมันเป็นทุกข์มันมีปัญหาแต่กาลังใจเราไม่พอสติปัญญาของเราไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยพอเราไปทำแล้วปัญหาตามมาความทุกข์ตามมาความเดือดร้อนตามมานี่คือวัตจักรของสังคมที่เป็นอยู่ของคนเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่เป็นเฉพาะประเทศเราเท่านั้นนะมันก็ทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนี้ นอกจากคนที่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงรู้ว่า เ, ออเป้าหมายของชีวิตนี่ต้องการความสุขแล้ ว, ลวก็มาคิดให้มันตีให้มันแตกเลยทำยังไงเราถึงมีความสุขที่แท้จริงให้มันได้ให้มันมีคำตอบจนจิตใจเราเนี่ยรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะไม่มีทุกข์ทยังไงความทุกข์น้อยลงไปให้มันยอมถ้าจิตเนี่ยยอมด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีความพอใจที่จะเดินทาง ของชีวิตเนี่ยอย่างไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆให้สุขมันเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนี้มันจะตรงกับเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงเพราะชีวิตทุกคนต้องการความสุขเรียนหนังสือก็ต้องการที่จะจบออกไปหางานทาได้งานได้การแล้วก็หวังว่าจะได้เงินได้ข้าวของเครื่องใช้ตามที่เราต้องการแล้วได้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราพอใจตามที่เราต้องการ นี่คือความอยากของเรามีคนหนึ่งเขาถามคือตอนนั้นเราก็เขานิมนต์ไปฉันข้าวฉันข้าวเสร็จแล้วเขาก็มาสนทนาธรรมเขาบอกว่าศาสน า, าพุทธเนี่ยสอนให้คนเนี่ยไม่มีกิเลสใช่ไหมบอกว่าใช่ถ้าเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงคือต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขนี้ต้องอยู่เหนือกิเลส เพราะว่ากิเลสมันมีอิทธิพลต่อใจเรามันบีบคั้นใจเรามันบังคับใจเราต้องฝึกจิตใจจนกระทั่งอยู่เหนือมันเขาบอกว่าแล้วจะเอากําลังใจที่ไหนอะมาทํางานเพราะมันถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องจูงใจให้อยากทําการทํางานนะบก็ว่าอย่างเนี้ยเขาพูดไปตามความคิดของเขาก็เลยบอกเขาว่าถ้าหากว่า คนที่กิเลสจะน้อยลงไปต้องมีปัญญาด้วยต้องสามารถสร้างกำลังใจของเราต้องมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ในจิตคือจิตต้องมีพลังเพียงพอที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะทำให้รู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรอันหนึ่งทำด้วยความอยากความอยากบังคับให้เราทา อันนี้บางทีมันทำให้เป็นทุกรุ่มร้อนเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้อยากได้มากๆทํทำงานก็ทำด้วยความอยากบีบคัน้นเล่งมุ่งไปที่ผลของงานอยากให้งานดีอยากให้งานสำเร็จตามที่เราต้องการแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันจะมาสนใจที่เหตุเราจะทำยังไงการงานเนี่ยมันถึงบรรลุปเป้าหมายได้เหมือนเราเราเรียนหนังสืออย่างเนี้ยเราไปคิดแต่ว่าเออเราจะสอบได้หรือไม่ได้ แล้วก็กลัวจะสอบตกอย่างเงี้ยมันสร้างความกลัวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าโดยวิถีทางของปัญญาเนี่ยมันต้องมาคิดว่าทายัางไงเหตุที่จะทำให้เราสอบให้ได้ทำยังไงมันก็จะมาทำเหตุให้ดีเราต้มารู้ว่าเออเวลาเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเวลาหลังจากเรียนแล้วเราก็ต้องมาสนใจทำยังไงความเข้าใจของเราเนี่ยมันจึงจะเป็นที่แน่ใจ ให้มันลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจคือมันสามารถเข้าใจได้แน่นแฟน้นไม่ใช่เข้าใจแบบผ่าประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ลืมไปเข้าใจใชนิดที่มั่นใจว่าเราไม่หลงลืมก็ต้องมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้มาศึกษามีการบ้านศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสงสัยก็ต้องซักถามครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงที่เขารู้มากกว่าเราที่เขาเข้าใจเราก็มีการเตรียมตัวไปเรื่อยอย่างนี้เราจะไม่กังวลใจเลย เมื่อสร้างเหตุดีแล้วเนี่ยเราไม่กลัวหรอกสอบตกเนี่ยรอเวลาเลรสอบเมื่อไหร่เราสามารถกำหนดได้ด้วยเราอยากจะเอาเกรดอะไรถ้าเราอยากเอาเกรดเอเราก็ต้องขยันมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นเราไม่ไปคำนึงถึงผลหรอกเราคาดหวังไว้ได้แต่ว่าเรามุ่งมาที่เหตุสร้างเหตุให้มันบรรลุผลถ้าอย่างนี้ปัญหาของการเรียนก็จะลดลงไปน้อยลงไป วิชาไหนเรารู้สึกตัวว่าเออเราไม่ค่อยถนัดเรายิ่งต้องเพิ่มความสนใจเพิ่มความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นพอเขาถามเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าหาว่ามีปัญญานาหน้าเนี่ยไอ้ปัญญาเนี่ยมันจะมุ่งไปที่เหตุแล้วสร้างเหตุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วแล้วมันจะไปไม่ไปกังวลเรื่องผลมันก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอันนี้ที่พูดเนี่ยหมายความว่ากาลังจะเน้น กำลังจะย้ำว่า เ, าเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคือการที่ต้องการความสุขชีวิตต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการมีความทุกข์แต่ว่าทุกคนก็ยอมรับมันไม่เป็นไปอย่างที่พูดนี้คือมันมีความทุกข์แทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยทายัางไงความทุกข์ภายในพระไทยของพระองค์จึงหมดไปความทุกข์ของสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปตามลําดับสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยความทุกข์ต้องน้อยลงไปถ้าปฏิบัติไปศึกษาคําสอนของพระเจ้าไปเนี่ยมันต้องน้อยลงไปตามลําดับตามลําดับถ้าหว่าคนที่เริ่มปฏิบัติ จิตใจต้องดีขึ้นมาแล้วค่อยๆดีขึ้นมาถ้าปฏิบัติไปมากขึ้นสติปัญญาเรามากขึ้นความทุกข์ต้องน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นพระเรซยเจ้าแล้วความสุขก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับจนถึงว่าหมดทุกข์คือพระอรหันต์นี่หมดทุกข์เนี่ความทุกข์ไม่มีภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจทีนี้พระพเจ้าสอนอยังไงมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่อยากมีทุกข์ ควรจะทำยังไงผู้เจ้าอันดับแรกต้องมีศีล น, นะต้องมีศีลด้วยนะศีลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นข้อข้ออย่างที่เราเข้าใจนะศีลนี่หมายถึงว่าเอาสิ่งที่เป็นข้ อ, ข, อข้อนั่นแหละแต่มาปฏิบัติอย่างพระนี่ก็มีศีลแต่เขาเรียกว่าพระปาติโมก็คือศีลพื้นฐานสิขาบทพื้นฐานคำสอนพื้นฐานหลักพื้นฐานที่เราจะต้องปฏิบัติ ถ้าหาว่าเป็นโยมก็ต้องเป็นศีลห้าเนี่ยศีลาเราเรียกว่าศีลหจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นเป็นิกขาบทหข้อถ้าเอามาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งสติของเรามีขึ้นมาแล้วรักษาจิตใจให้เป็นปกติได้สามารถยับยั้งเจตนาที่มันจะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องห้าข้อนั้นได้จึงเรียกว่าเป็นศีลเพราะนั้นศีลเนี่ยต้องอยู่ที่ใจ เราพูดถึงเรื่องทานเรื่องบุญก็คือการชำระใจเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องตรงเข้ามาหาจิตใจหมดเลยเพราะฉนั้นพอมีคนไปถามพระเจ้าปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าทํายังไงความทุกข์จะน้อยลงไปเนี่ยพระเจ้าจะแนะนําทันทีเลยต้องมีศีลซะก่อนเป็นพระไปก็เหมือนกันก็ต้องมีศีลเหมือนกันสำรวมปาติโมกก็มีศีลของพระถ้าเป็นโยมก็ต้องมีศีลของโยมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะดําเนินชีวิตให้มันดีขึ้นมาเนี่ย ต้องเริ่มศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของผู้ที่ไม่มีกิเลสคำสอนของผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์คำสอนของผู้ที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเราศึกษาคำสอนของคนที่มีกิเลสมามากแล้วเราจะไม่ลองศึกษาคำสอนของผู้หมดสิ้นกิเลสดูบ้างเหรอ เราจะไม่ลองศึกษาคำสอนของผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วคำสอนของพระเจ้าเนี่ยรู้ด้วยสัพพัญญุตายานสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่เป็นความจริงหมดเลยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอ๋อคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงหมดไม่มีอะไรเลยที่มันจะไม่จริงแล้วก็มีคำตอบให้ทุกอย่างทุกเรื่องด้วย เนี่ยถ้าเราศึกษาไปเรายิ่งมีความลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจริงว่าพวกเราเนี่ยเอาโชคดีละนะที่มีโอกาสมามาวัดแล้วก็มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะนั้นก็จะให้หลักถ้าหาว่าใครเอาไปปฏิบัติก็รับรองว่าชีวิตจะต้องเจริญขึ้นแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะคาสอนของพระพเจ้านี่มันแปลก ถ้าใครนำไปปฏิบัตินำไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตรับรองชีวิตดีขึ้นมาทันทีเลยดีจริงๆเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกจริงๆเลยนะคือทดลองมาแล้วด้วยที่พูดเนี่ยทดลองมันก็มีบางทีไม่ว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าครอบครัวหรือประสบภาวะที่มันล้มละลายหรือล่มจมอะไรอย่างเงี้ยขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ย พอมาปรึกษากันแล้วเราก็บอกว่าเอาลองปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าดูเริ่มแรกต้องปฏิวัติครอบครัวซะก่อนครอบครัวก็ต้องหันมารักษาศีลกันไหว้พระสวดมนต์อุทิศบุญแผ่เมตตากันคือเรียกว่าปรับเลยให้สามัคคีกันมาทําความดีตามคําสอนของพระเจ้ากันแล้วก็เริ่มศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามมีปัญหาอะไรเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหา จากที่เป็นหนี้เป็นศินเนี่ยลดลงลดลงแล้วก็หายหายจากเป็นหนี้เป็นศินเราเห็นจากการที่เขาทดลองปฏิบัติจากการที่ไม่มีการไม่มีงานงานการไม่มาไม่อะไรเนี่ยเกิดความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการงานฝืดเครืองอะไรพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองหันมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตก็ดีขึ้นมาครอบครัวดีขึ้นมา บริษัทหรือว่าโรงงานอะไรดีขึ้นมาหมดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนอกจากว่าเออถ้ามันจะมีกรรมเก่ามาปิดมากัน้นบางทีคือกรรมของคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้มอนให้ผลเซนสามระดับเคยได้ยินไหมกรรมที่คนเราทำทุกวันทุกวันมันจะให้ผลอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งทำแล้วให้ผลทันทีมีกรรมบางอย่างเนี่ยทำปั๊บให้ผลเลยมี ให้ผลในปัจจุบันทันทีในขณะนั้นในปัจจุบันอันที่สองทำแล้วปัจจุบันยังไม่ได้ให้ผลแต่ให้ผลถัดไปอันที่สามปัจจุบันก็ยังไม่ให้ผลถัดไปก็ไม่ให้ผลให้ผลถัดถัดถัดไปเรื่อยๆรอเวลาที่จะให้ผลนี่คือเวลาที่กรรมมันให้ผลมันเดียวเป็นอย่างเงี้ยบางคนทำกรรมดีแล้วมันยังไม่ให้ผลก็คือว่ามันมีกรรมอื่นที่มันรอคิวอยู่ ที่จะให้ผลบางทีมันยังไม่ให้ผลแต่ถึงเวลากรรมนั้นก็ให้ผลนี่คือเรื่องของกรรมแต่ว่าอันนี้สังเกตแล้วส่วนใหญ่พอเปลี่ยนแปลงชีวิตใช้หลักธรรมของพระเจ้าเป็นหลักในการดาเนินชีวิตครอบครัวก็มีความสงบมีความเป็นสุขมีความเยอะเย็นแล้วก็กิจการต่างๆ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ดีขึ้นมาจึงมีความมั่นใจเลยไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะไหนอยู่ในลักษณะยังไงถ้าพร้อมที่จะเอาหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนทีนี้เวลาศึกษาคำสอนของพระเจ้าไม่ใช่ศึกษาจากตำราอย่างเดียวนะพระท่านบอกว่าให้ศึกษาคาสอนของพระเจ้า ก็ไปอ่านตำรายเยอะๆไปท่องเยอะๆอันนี้มันก็เป็นเรียนรู้แบบวิชาการนะแบบที่เราเรียนรู้วิชาอื่นมันก็ไม่มีผลต่อจิตใจต้องเรียนไปด้วยเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติให้มันมาอยู่ที่จิตใจเราเหมือนกับเราเรียนรู้ว่าบุญคืออะไรบุญคือการชำระใจแล้วก็ถ้าเราทำบุญปั๊บใจเราต้องดีขึ้นมา แล้วเราต้องรู้ว่าเวลาที่ใจเราดีใจเรามันมีความสุขเนี่ยก็คือใจเราเป็นบุญแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าพูดถึงศีลก็ต้องรู้ด้วยว่าเออคือภาวะที่จิตใจเป็นปกติมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตเราได้ถ้ามันจะคิดไม่ดีเราจะรู้ทันมันจิตเราก็เป็นปกติถ้ามันจะไปทําร้ายใครเรารู้ทันมันจิตเราก็จะเป็นปกตินี่คือศีลที่แท้จริงมันต้องอยู่ในจิตอย่างเนี้ย แต่เราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนี้คำสอนของพระเจ้ายังไม่เข้ามาในจิตของเรามันก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะนั้นวันนี้ก็จะเพิ่มเติมหมายว่าก็เอาหลักปฏิบัตินี่แหละเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะมีคนไปถามพระเจ้าแล้วบอกว่าเออถ้าว่าเขาเนี่ยอยากมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นอยากจะพึ่ปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าทำยังไงพระเจ้าบอกเริ่มด้วยการมีศีล ศีลก็คือมีสติรักษาใจเราแล้วก็ไม่ทําไม่ล่วงศึขษาบททั้งหข้อนั้นคือศีลหให้มีศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเป็นหลักในการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกบางทีท่านเปรียบเทียบว่าศีลห้าเป็นเหมือนพื้นดินเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ต้องอยู่บนพื้นดินปลูกบ้านก็ต้องอยู่บนพื้นดินทําไร่ทํานาทาสวนอยู่บนพื้นดินทําการทํางานก็อาศัยพื้นดินเป็นหลัก เพราะฉะนั้นศีลหาจึงเป็นเหมือนพื้นดินคือความสำคัญของศีลหาท่านเทียบกับพื้นดินเลยมันมีความสำคัญมากถ้าไม่มีพื้นดินเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็แสดงว่าถ้าหาว่าใครไม่มีศีลห้ามีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มีชีวิตเพราะมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหาเพราะนั้นต้องมีศีลห้าเป็นหลักประจาใจต้องฝึก เอามาฝึกหัดจนกระทั่งมันอยู่ในใจเราตลอดไปอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปก็ต้องพยายามมีสติพระพุทธเจ้าก็สอนสติปัฏฐานสี่พระุทธเจ้าบอกว่าเออต่อไปจึงต้องมีสติคือสติเนี่ยมันจะทําให้ธรรมะข้ออื่นเกิดขึ้นกับจิตเราเองเราไม่ต้องไปต้องการว่าเอออยากมีธรรมะอันนั้นอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติสร้างเหตุเนี่ยเจริญสติก็คือปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ทำอะไรอยู่พยายามมีสติแล้วสติเนี่ยมันจะไปกั้นจิตเราไว้เวลาจิตของเรามันจะไหลไปเนี่ยสติมันจะไปรู้ไปรู้แล้วมันจะกั้นจิตเอาไว้เองหรือว่าอารมณ์จะเข้ามาอย่างนี้สติก็จะกั้นไว้พอกั้นเอาไว้จิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมามีสัมปชัญญะขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาอารมณ์ต่างๆก็ไม่รบกวนจิตใจเราพอสมาธิมีกาลังเพียงพอแล้วก็จะมีปัญญา เนี่ยมันจะมีปัญญาตามมาเป้าหมายจริงๆคือมีปัญญาตามมาแล้วก็จะรู้ความจริงว่าเออชีวิตของเรามันอยู่ชั่วคราวไอ้ความคิดความนึกความปรุงความแต่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปใจเราจะคลายออกใจเราจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นเนี่ยความทุกข์จะน้อยลงแบบนี้อันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าเออมันเป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติมันจึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราทําอะไรไม่ว่าทําบุญก็ตาม เราอยากได้บุญแต่บุญในความหมายของพระเจ้าคือการชำระใจคือชำระใจให้ดีชำระใจให้สุขชำระใจให้สบายมันจึงแตกต่างจากบุญที่เราเข้าใจกันเราเหมือนกับว่าต้องได้ของอะไรตอบแทนเป็นเงินเป็นทองอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ตามนั้นก็แสดงว่าบุญไม่มีเนี่ยแต่อานิสงส์แบบนั้นก็มีด้วยไม่ใช่ไม่มีนะถึงพระผู้เจ้าจะมีเป้าหมายว่าบุญเนี่ย คือการชำระใจคือความสุขใจความสบายใจแต่อานิสงส์แวดล้อมก็มีด้วยจะเล่าให้ฟังนะมีเรื่องหนึ่งโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้มีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขามีอาชีพในการเก็บของป่าบ้านเรือนก็คงจะอยู่แบบเนี้ยตามชนบทแบบนี้แล้วมันคงมีป่ามีเขาอ่ะมันก็มีผักมีดอกไม้มีอะไรมีของป่าชาวบ้านแถวนั้นเขามีอาชีพในการไปเก็บของป่า เอามาขายเอามาทำเป็นอาหารใช้ของที่มีอยู่ในป่าเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยทีนี้วันหนึ่งนางคนเนี้ยเขาก็เตรียมอาหารเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็เดินทางก็จะไปเก็บของในปา่าตามปกติคนอื่นๆก็จะไปกันแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินออกมาเช้าวันนั้นพอดีพระพุทธเจ้ากับพระอนนท์เนี่ย สเสด็จมาบินทบาทเดินผ่านมาทางนั้นพอดีเลยนางคนนี้ก็เห็นเห็นมีพระมาคนที่มีบุญคนที่มีความศรัทธาเนี่ยพอเห็นพระปับ๊บรู้สึกมันดีใจสบายใจขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เขาใจเป็นบาปเนี่ยเขาไม่ดีใจนะถ้าคนใจบุญเนี่ยอย่างผู้หญิงคนนี้เขามีศรัทธาเหมือนกับเขามีบุญน่ะเห็นพระปับ๊บดีใจว่าโอ๊ยวันนี้มีพระมาบินทบาทบางวันเนี่ย เราเนี่ยไม่มีอาหารเลยเห็นพระแต่ไม่มีอาหารบางวันมีอาหารแต่ไม่มีพระวันนี้โชคดีมีทั้งอาหารมีทั้งพระมาเราจะเอาอาหารนี่แหละถวายพระให้หมดเลยพอใจที่ทำอย่างนั้นตัวเองยอมอดเลยคือใจมันมีศรัทธามากมันมีปิตินานกว่าที่จะมีพระผ่านมากว่าที่จะได้ทําบุญอย่างนี้ทาให้มันเต็มที่เลยนี่คือความพอใจของเขาเขาก็รอเลยพระเจ้าเสด็จมาปั๊บ นางก็แบ่งอาหารเป็นสองส่วนถวายพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งถวายพระอานุ์ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ปลื้มใจคนเราเนี่ยเวลามันอิ่มใจเนี่ยมันเบิกบานมากร่างกายก็พลอยอิ่มไปด้วยเขาก็เก็บอะไรไปตามเรื่องทั้งวันหาของป่าไปแต่ใจเบิกบานรู้สึกพอใจที่ตังได้ทําบุญพระพุทธเจ้าพอได้อาหารเพียงพอแล้วก็หาที่สมควรแล้วก็ปูอาสนะลงไปแล้วก็ฉันพระตาหาน พ้องกับพระ อ, อนุนฉันเสร็จแล้วผ้านนก็ทําความสะอาดอะไรต่ออะไรพระวิจกรรมก็ตัดขึ้นมาแล้วนะทีน่นี่ดูก่อน อ, นอนุเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ที่เขาใส่บาดเราตถาคตในวันนี้นางจะได้อะไรตอบแทนสิ่งที่นางได้ก็คือความสบายใจได้แล้วใช่ไหมชําระใจไปแล้วใจสบายใจอิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขสบายตลอดทั้งวันเลยการทํางานก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเมื่อยล้ามีความสุขภายในใจ แต่ว่าอา น, นิสงส์แวดล้อมพระพุทธเจ้าพยากรณเรื่องกรรมของคนเนี่ยมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพยากรณ์ได้คนอื่นพยากรณ์ไม่ได้พยากรณ์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมือนคนเขาดูกรรมกันมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านเนี่ยดูก่อ น, นะนอนนุนเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่ใส่บาตรเล่าตระกคลวันเนี้ยนางจะได้อะไรตอบแทน พานนท์ไม่ทราบพระเจ้าค่ะนขณะพานนท์ก็ไม่ทราบพระเจ้าบอกว่าวันนี้นางจะได้เป็นมาเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลพอพระเจ้าพยากรณ์เสร็จเรียบร้อยก็พากันเสด็จกลับไปทีนี้พระเจ้าปเสนทิโกศนก็เป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศนในอินเดีย พอพอดีมีข้าศึกเข้ามาประชิดชายแดนเขาต้องลบกันลบกันนี่สมัยก่อนเนี่ต้องพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำนะเป็นแม่พับพาออกลบเลยขี่มา้าถือดาบปะทะกันเลยีย่ฟันกันเลยไม่มีปืนไม่มีจรวลเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวว่าลบกันด้วยอาวุธซึ่งหน้าเลยใช้ฝีมือกันเลยทีนี้พระเจ้าประเนนิโกศนเนี่เสียท่าก็ควบมา้าหนีมาหนีข้าศึกมาก็มาทางเนี้ยมันเป็นเหตุทําให้ต้องมาทางนี้ ควบม้าม า, มาทีนี้มันก็มาเร็วอ่ะมาคนอื่นเขามองเห็นเนี่ยฝุ่นตลบเลยอ่ะกลัววิ่งห น, นีเหมือนกับเราเห็นอะไรมั น, ปนแปลกๆเห็นคนแปลกหน้าเ ห, ห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความกลัวก็วิ่งหนีนางคนเนี้ยกับคิดไม่เหมือนคนอื่นไม่วิ่งหนีเราไม่ได้ทําความผิดอะไรเราจะวิ่งหนีทําไมเนี่ยเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาได้นะไม่กลัวเราไม่ได้ทําความผิดอะไรเราจะวิ่งหนีทําไมก็ยืน ยืดรออยู่พอม้าควบมาใกล้ๆก็ชะลอลงชะลอลงทีนี้พอหยุดต่อหน้าแล้วมองไปคนที่บนหลังม้าโอ้โหเหงื่อไหลโซมกายเลยนะไม่ยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะเห็นถึงเหงื่อเต็มตัวคนเป็นลบมาแล้วก็ควบม้าหนีมามันก็ต้องใช้แรงมากเหงื่อก็คงออกมากเต็มตัวเกิดความสงสารขึ้นมาก็เอาน้ําที่มีแต่มันมีกระบอกน้ำํำส่งให้เลย สงให้นี่้แสดงเป็นคนมีเมตตามีน้ำใจพระเจ้าประเสิทธิโกศลรับมาก็สเวสเวยเสวยไปก็มองดูด้วยนะเออนางคนนี้มีน้ำใจดีงามนะเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจมีครอบครัวยังแต่งงานหรือ ย, อยังโอ้ยังถ้าขอไปเยี่ยมบ้านได้ไหมพระเจ้าเปดีนี่เขาฉลาดนะเขาต้องไปตรวจดูก่อนยังไม่สารภาพอะไรง่ายๆนะไม่แสดงให้รู้หรอก ได้ได้บ้านอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่เดินตามไปจูงม้าไปพอเข้าเขตบ้านผู้หญิงก็คุณแม่คุณพ่อวันนี้มีแขกมานะเหรอก็เห็นผู้ชายก็เงอไหลอะไรอย่างเงี้ยเอาอาบน้ำอาบท่าสิทำตัวสบายๆนะทุกคนมีน้ำใจหมดอาจาไปดิงก็พี่นาไปเนี่ยอาอบน้ำอาบท่าเอาเราทานอาหารด้วยกันก่อนจัดอาหารมา เลี้ยงดูคนกำลังเหนื่อยกำลังหิวนี่นะได้อาหารก็สวยทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็มองดูพี่นาไปด้วยโอพ่อแม่ก็มีน้าใจทาอาหารการกินมาบ้านก็ไม่อยู่เฉยเฉยผู้หญิงก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ทำอาหารการกินน่อาหารก็ อ, อร่อยของมีประโยชน์มีเหตุมีผลกัน สามคัคคีกันรักไข่กลมเกลียวกันกิริยามารยาทเขาเรียบร้อยทุกอย่างพี่นาเรียบร้อยแล้วกับตัดสินใจแล้วนะที่นี่พระเจ้าแผ่นินตัดสินใจแล้วเราเนี่ยคือพระเจ้าประเสริฐโกศลประกาศตัวแล้วพวกนั้นอุ้ยลิบคุกเข่าเลยกราบเลยสั่นด้วยอุ้ยขออภั ย, ยโทษไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าแพ่นดินการต้อนรับขับสู้มันก็เลยตามมีตามได้พระเจ้าแผ่นดินก็ยิ่งพอใจใหญ่อ๋อไม่เป็นไร ก็เลยเล่าให้ฟังวันเนี้ยวันนี้ไปลบมาเน่ยเสียท่าคาสึกก็เลยควบมา้าหนีมาแล้วก็ลูกสาวนี่เป็นคนมีน้ำใจยื่นน้ำส่งให้แล้วก็ที่มาเนี่ยก็อยากจะมาดูว่าฐานะเป็นยังไงมาดูแล้วรู้สึกพอใจลูกสาวมากถ้าจะขอมั่นหมายเอาเข้าไปอาภิเสกสมรสเป็นมเหสีในวังอะ่ะจะยอมไหมแต่ว่าจะเอาลูกสาวนี่เข้าไปในวังเป็นมเหสีแล้ววันต่อไปก็จะมาพา พ่อกับแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในวังด้วยกันก็พาเข้าไปแล้วก็เป็นไปนั้นนี่คือคํำพยากา์ของพระเจ้าหมายความว่าคนเราเนี่ยทำความดีนอกจากชำระใจแล้วอา น, นิสงส์แวดล้อมก็เกิดขึ้นด้วยมีขึ้นด้วยแต่ว่าอันนี้ในพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้เน้นเน้นที่ใจเน้นที่การชำระใจให้ใจดี ใจมันมีความสุขความสบายเนี่ยสติเนี่ยมันจะควบคุมจิตใจได้ง่ายใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีถ้าเวลาคนมีความทุกเนี่ยใจมันจะไหลออกไปข้างนอกเพราะอันนั้นเพราะอันนี้วุ่นวายอยู่กันข้างนอกจิตจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปเนี่ยมากๆเราจะสูญเสียพลังมากอันนี้นะถ้าหาว่าใครควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเองได้มาก พลังจิตก็จะมีมีพลังจิตด้วยนะแล้วก็มีพลังกายด้วยแล้วเราจะรู้สึกสบายกายก็สบายจิตก็สบายแต่ถ้าอาว่าใครมีความคิดมากๆ ม, มีเรื่องคุ้นคิดมากๆศสูญเสียพลังจิตมากสูญเสียพลังกายมากคิดมากๆบางทีนอนไม่หลับเลยพายพร้อมเลยทำการทำงานก็ไม่ค่อยดีต่างจากการที่มีจิตมีจิตเนี่ย สงบความคิดน้อยลงไปอสุขภาพกายก็จะดีสุขภาพจิตก็จะดีดีไหมพวิชาวมุสลิมเจ้าดีไหมฟังแล้วถ้าปฏิบัติได้จะดีไหม<ด>แล้วปฏิบัติได้ไหมแต่จะไม่เกินความสามารถอย่าคิดว่าเราไม่ได้นะการที่เราได้มาเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั้นเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่มีบุญจริงๆไม่ได้มานั่นเนี่ยนี่ต้องยกให้อาจารย์สองท่านนี้นะเนี่ยต้องมีความปาถนาดีจอลูกศิษย์มาก ไม่งั้นจะไม่พามาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกศิษย์คือให้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบตัติตามคำสอนของพระเจ้ามีหายากนะเสียสละมาก น, ะนั้นกว่าจะมาได้แทนที่จะใช้เวลาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แต่เราเนี่ยมีโอกาสได้มาวัดได้มาวัดได้มาฟังธรรมได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้มีอา น, นิสงส์มากอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นอา น, นิสงส์แวดล้อมเราก็ไม่รู้กันถูกไหมแต่ว่าก็ต้องมีด้วยอออา น, นิสงส์แวดล้อมก็ต้องมีแต่อา น, นิสงส์ในปัจจุบันคือจิตใจของเราต้องสบายขึ้นกว่าเดิมหรือว่าฟังอาจารย์พูดแล้วฟังไปฟังมารู้สึกยิ่งมึนมากกว่าเดิมมีไหมหรือว่าสบายขึ้นมองเห็นทางไหมหรือว่าจะทาให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะเข้าใจไหม อันนี้มีคนปฏิบัตินะมีคนเอาไปปฏิบัติแล้วดีขึ้นจริงๆแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเขาเรียนปีสุดท้ายแล้วเขาประสบปัญหาในการเรียนถ้าหากว่าเกรดของเขาไม่ดีขึ้นเขาถูกรีไทยแน่ๆเลยเขาจะต้องถูกออกจากแพทย์เรียนมาตลอดเวลาคือต้องถูกรีไทยแน่ๆเขาก็เลยไปศึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านแนะนําบอกว่าให้พยายามนั่งสมาธิ ขอเพียงวันละสิบนาทีเท่านั้นให้ทําให้ทุกวันวันละสิบห้นาทีนักศึกษาแพทย์คนนั้นเขาก็เอาไปปฏิบัติพยายามปฏิบัติทุกวันเขาทําทุกวันปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเกรดที่คิดว่าจะต้องถูกรีทายไม่ถูกรีทายแล้วจากนั้นการเรียนเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจบปีสุดท้ายเขาสอบชิงทุนได้อีกสามารถไปเรียนแพทย์ต่างประเทศได้แล้วกลับมาเป็นแพทย์ในประเทศไทย อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็คือการได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเขาไม่มีสิ่งเนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นนายแพทย์คงไม่ประสบผลสําเร็จอย่างในปัจจุบันคือมันก็มีหลักอยู่ของพุทธเจา้าเนี่ยการที่เราช่วยกันระลึกถึงคุณของธรรมชาติก็เป็นสมาธิ ผู้เจ้าสมาธิที่มีสิบข้อสมาธิทิ่โลกิยาสมาธิทิ่มันมีโลกิยะสมาธิทิ่แล้วก็โลกุตระสมาธิทิโลกิยะสมาธิทิ่เนี่ยข้อหนึ่งอ่ะการทําบุญทําทานมีจริงหมายว่ามันมีอานิสงส์เนี่ยทำแล้วเกิดผลดีแก่ชีวิตเราแก่จิตใจของเรามีอานิสงส์ทั้งทางจิตใจในปัจจุบันมีอานิสงส์แวดล้อมด้วยพูดง่ายๆหมายความอย่างนี้ทําบุญมนะันมีจริง การบูชาคุณและลึกถึงคุณของแผ่นดินคุณของต้นน้ําลําทานคุณของป่าไม้คุณของบรรพบุรุษที่เคยทําประโยชน์หรือคุณของพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าๆที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองการระลึกถึงคุณอย่างเนี้ยคุณของพ่อคุณของแม่เนี่ยวีรบุรุษทั้งหลายอย่างเนี้ยอันนี้ก็มีอนิสงส์มีบุญเกิดขึ้นมีอนิสงส์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็การที่มี การช่วยเหลือกันทักทายกันช่วยเหลือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันก็มีานิสงมีผลเกิดขึ้นมีบุญเกิดขึ้นมีานิสงแวดล้อมเกิดขึ้นแล้วก็การที่คนเรามีความเชื่อว่าโลกหน้ามีโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกหน้ามีก็หมายความว่า คนเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นคนได้อย่างเดียวอาจจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาพรหมถ้าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงอย่างเนี้ยก็เป็นสมาธิแล้วก็โลกนี้มีจริงสำหรับสัตว์อื่นก็สามารถมาเกิดบนโลกนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสมาธิด้วยแล้วก็ทำดีทำดีก็ให้ผลดีหลักหลักแห่งความดีนี้ก็ให้ผลด้วย แล้วก็พ่อแม่คุณของพ่อของแม่มีจริงของแม่มีของพ่อมีแล้วก็โอปปตปฏิกะหมายถึงว่าพูดผีปีศาจอย่างนี้สัตว์นรกเนี่ยมีแต่พวกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีเทวดามีพรหมมีแล้วก็สุดท้ายสามณพราหมณ์คือผู้ที่ตัดสรู้ ผู้ที่หมดกิเลสมีหรือผู้ที่ปฏิบัติขาดกลาจิตใจมีถ้าว่าใครเชื่ออย่างนี้เป็นสมาธิโลกียสมาธิิมันเป็นพื้นฐานทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้ทาให้ความเป็นอยู่เนี่ยอยู่อยู่สบายวางตัวได้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าโล ก, กุตลาสมาธิหมายว่าเราปฏิบัติแล้วมาเห็นความเกิดดับเนี่ย ขันห้าหรือหรือร่างกายจิตใจเราที่เราอาศัยอยู่นี้จริงๆเป็นเกลียวของธรรมชาติมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ยังไม่บรรลุมรรคยังไม่บรรลุอริยมรรคเนี่ยก็เป็นสมาธิฏฐิแนวโลกุตระหรือเป็นวิปัสสนาสมาธิฏฐิแต่ถ้าหากว่าประหารกิเลสได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วเขาเรียวโลกุตระสมาทิฏฐิเป็นพระอริยเจ้า เพราะนั้นทางที่เราปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตามทางของพระอริยเจ้าตามทางของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้สามารถที่จะหมดสิ้นอาสวะกิเลสได้ด้วยการปฏิบัติาวันนี้พูดมากก็มากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาปฏิบัติบ้บางเราทำอย่างอื่นม า, มากค่าวนี้เราตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่านะ ตั้งใจเลยบูชาพระพุทธเจ้าอาหาที่นั่งให้ดีๆนั่งให้สบายๆนะแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วทีนี้ใครเคยบริกรรมยังไงก็บริกรรมได้เพราะว่ามันเป็นแค่อุบายทำให้เรามีสติเท่านั้นเองจะพุโทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้ลมเข้าพุทลมออกโทก็ได้ สัมมาหลังก็ได้นภะพภะก็ได้อันนี้เป็นอุบายทำให้จิตอยู่กับตัวเราตั้งใจว่าเราจะขอปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่พระธรรมคำสอนของพระองค์บูชาแด่พระอริยสง์ทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเอาร่างกายของเราเอาจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับมาเดินตามทางของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าจิตกำลังเดินตามทางของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเคยตัดกับสาวกของโรงบ่อยมากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่าภิกษุทั้งหลายไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวหมายถึงใครก็ได้ที่อยู่เฉพาะหน้าพระองค์อาจจะเป็นโยมเป็นเทวดาเป็นพระเป็นลือศีแต่พระองค์ทรงเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภัยในวตาสงสารความหมายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยที่เราตถาคตยังเป็นโพธิสัตย์อยู่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างในปัจจุบันนี้ยังเป็นโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่สร้างบารมีเหมือนเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันกนะํกำลังสร้างบารมีแต่ของเรานี่เป็นสาวกโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านี่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ จะตัดสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้าแต่ของเราเนี่ยรู้ตามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องได้ยินได้ฟังแล้วเอามาปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นสาวกทีนี้เรากำลังสร้างบา ร, รมีอยู่เหมือนกันจึงเรียกว่าสาวกโพธิสัตว์ได้ เราก็เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะรู้ตามเห็นตามเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วบรรลุตามในสิ่งที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วเรียกว่าสาวกโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าในสมัยที่เราตาทาคตยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าอย่างในปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากระทาบาเพ็ญมีสองอย่าง 1. นงเราไม่เคยสันโดษไม่เคยอิ่มพอไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยย่อท้อในการทำบุญขุศลคุณงามความดีก็แสดงว่าหลักในการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าต้องทำบุญทำคุณงามความดีหลักข้อที่สอง พระองค์จเจริญสติไม่เคยว่างเว้นไม่เคยขาดนี่มีสองหลักนี้ถ้าใครอยากจะสร้างบารมีตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าข้อแรกเลยต้องตั้งใจว่าเราจะพยายามทำความดีไม่เบือ่อไม่หน่ายไม่อิ่มไม่พอไม่สันโดษในบุญกุศลคุณงามความดีมีโอกาสก็ทำเรื่อยไป อันที่สองก็คือพย า, มมพ ย, า, า ย, พยามมีสติพยายามเจริญสติทุกปิยาบททุกขณะทําอะไรอยู่พยายามมีสติรักษาใจไว้ถ้าอย่างนี้จะตรงกับที่พระพุทธเจ้าประพฤติธปฏิบัติมาเพราะนั้นเรามาที่นี่ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าตามอย่างที่พระพุทธเจ้าประพฤติธปฏิบัติมาจริงๆ บุญกุศลคุณงามความดีเราก็ทำตอนเช้าก็ถวายข้าวปลาอาหารขนมเนียทำด้วยความเต็มมกุกเต็มใจด้วยเ่ยช่วยกันหามาช่วยกันขนขึ้นมาช่วยกันทำคนไหนถนัดอะไรก็ทำไปนอกจากนั้นก็ช่วยทำนู่นทำนี่ ให้แก่วัดเป็นประโยชน์แก่วัดนี่เป็นความดีทั้งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ควรขวายทำช่วยกันหาทางที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติารักษาสมบัติของชาติหูกต้นไม้ไว้ในวัดเป็นลมเป็นเงาเป็นสมบัติของศาสนาด้วยเป็นสมบัติของชาติด้วย มีคุณมีประโยชน์ต่อคนอื่นต่อพระต่อผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้นเลยที่เรามาที่เนี่แล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์เพราะนั้นข้อที่หนึ่งเราก็ได้ทำข้อที่สองก็พยายามเจริญสติถ้าจะให้ดีเราต้องเอาไปปฏิบัติพยายามมีสติ เราเคยปล่อยจิตปล่อยใจเราก็พยายามมีสติขับรถขับเรือก็พยายามมีสติเดินไปไหนมาไหนพยายามมีสติ <c oughs> นี่เราก็จะได้สติ <c oughs> มันก็จะตรงกับที่พระเจ้าทามาจึงเรียกว่าสาวกโพธิสัตว์ได้ <c oughs> ทีนี้เวลาปฏิบัติเรามีหน้าที่ปฏิบัติก็พอใจที่เราได้ปฏิบัติมันจะดีไม่ดีเราไม่สนใจ ขอให้เราได้ปฏิบัติบางทีจิตของเรามันก็คิดไปเราก็พอใจที่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็รู้ทำให้เรารู้ว่าเออธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้มันเร็วถ้าสติเราอ่อนจิตมันก็จะโดดไปเผลอไปลอยไปเราก็เห็นว่าเป็นธรรมดาวางใจไม่เป็นเน้นที่ผลของการปฏิบัติเน้นที่ความพอใจที่เราได้ปฏิบัติ ไม่เน้นผลของการปฏิบตัติไม่อยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะสบายใจบางคนเข้าใจผิดพราปฏิบัติแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอนั่งลงไปก็อยากให้จิตนิ่งไม่อยากให้จิตคิดไปไหนมันสวนทางกับความจริงความจริงคือธรรมชาติของจิตมันเร็วแต่ถ้าสติมีกาลังมันก็ควบคุมจิตได้เพราะั้นการที่มันจิตมันไปบ้างอยู่บ้างไปบ้าง มีสติบ้างขาดสติบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติใหม่ๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่พอเราเข้าใจเราก็ทําใจสบายๆมันก็จะตรงหลักของผู้เจ้าเลยนะพระเจ้าก็มีหลักนะัมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้เนี่ยมันก็จะไปเข้าหลักของพระเจ้าหมดเลยนะถ้าาว่าสติมันมีกําลังจิตมันก็จะอยู่ได้นานขึ้น อันนี้มันเป็นผลนะการที่จิตมันอยู่ได้นานไม่ใช่เป็นเพราะความอยากของเราเราจรึงไม่ต้องไปบีบคั้นตัวเองไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปอยากผ่อนคลายแล้วทำสบายๆแล้วก็ดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นพยายามอย่างเดียวคือพยายามมีสติมีสติแล้วพอจิตเราอยู่บ้าง เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าเออจิตอยู่เป็นยังไงจิตไปเป็นยังไงนี่คือเริ่มมีสัมปชัญญะในความรู้ที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันเป็นสัมปชัญญะมันทําให้สติเราเนี่ยมีกําลังเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนมันขยายตัวรู้กว้างขวางขึ้นเห็ความคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงบางทีก็เห็นว่าเออจิตเราอยู่กับตัวเราความรู้สึกเป็นยังไงเวลามันเผลอไปกลับมาแล้วเป็นยังไง เวลามันอยู่มันจะรู้สึกสุขสบายแต่เวลาเพลอไปมันจะรู้สึกไม่สบายตรงนี้มันทําให้คนนี่เบื่อหน่ายถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันเบื่อหน่ายมันทุกข์มันเบื่อๆยังไงก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าการที่จิตของเราอ่ะมันพบความสบายมันอยู่แล้วมันสบายพอมันไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายขึ้นมามันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมามีกังวนกวายอยู่ในใจลึกๆ แต่ถ้าเรามีสติรู้มันไปมันจะรู้สึกยังไงเราก็รู้มันก็จะผ่านไปเหมือนกันสติจะมีกําลังมากขึ้นอรู้กายบางทีก็รู้เวทนามันเจ็บมันปวดเนี่ยบางทีก็ต้องได้ลองอดทนดูบ้างจิตเราจะได้มีความเข้มแข็งอดทนให้เต็มที่เลยทนไม่ไหวแล้วใจจะขาดแล้วค่อยเปลี่ยนอย่างนี้ก็ฝึกความอดทนได้แต่ถ้าหาว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ย เราก็เปลี่ยนได้ยังไม่ได้ห้ามแล้วก็อาการของจิตบางทีก็มาสนใจอาการของจิตก็มีอย่างมันคิดไปก็รู้มันคิดหรือบางเรื่องมันมีน้ำหนักอยู่ในจิตอ่ะบางทีมันไม่หายไปง่ายๆบางทีเราต้องใช้สติจ้องดูสติเนี่ยมันไปดูมันก็ต่อมาถ้ามันมีกำลังมันก็เราเป็นผู้ดูไป ไอความคิดก็เป็นสิ่งถูกดูไปมันก็ดับไปของมันเนี่ยมันก็จะเห็นความเกิดดับพอได้ไม่ว่าจิตจะเป็นยังไงเราก็ไม่กังวลพอเรามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่เจริญสติมีหน้าที่ดูเรื่อยไปบางคนก็พอจิตมันเริ่มอยู่กับตัวเองเนี่ยจิตเป็นสมาธิธรรมสมาธิมันมีคุณสมบัติของจิตที่มีสมาธิเริ่มเป็นสมาธิ มันจะมีความเบิกบานลื่นเลิงบันเทิงในใจมันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามีความอิ่มเอิบในใจอิ่มใจขึ้นมามีความสงบอยู่ในจิตใจจิตสงบกายสงบใจสิ่งที่ปรุงแต่งใจก็ลดลงความคิดลดลงไปเหมือนมันเงียบมันสงัดขึ้นในจิตเราแล้วก็มีความสุขอยู่ภายในอันนี้เราเขาเรียกวัน มีรามิตรสุขคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่มีอะไรก็ได้แต่มันมีความสุขโดยลำพังของจิตแล้วสมาธิคือยังไงสมาธิคือการที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆมันอยู่กับตัวเรานานขึ้นเห็ก็นเลยว่าใช้ได้จิตเริ่มเป็นสมาธิมันก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาแล้ว เนี่ยมีความสงบมีความสบายขึ้นในจิตใจดูสิจิตเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างนี่คือตรวจสอบดูตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองต้องมีสติมันถึงจะดูตัวเองได้มีสติแล้วต้องคมจิตจิตต้องอยู่กับตัวเราด้วยเนี่ยมันถึงจะเข้ามารับรู้ว่าเออเราเป็นยังไงนะเนี่ยเพราะนั้นสมาธิจึงสำคัญสตินีนอันดับหนึ่ง พอมีสติแล้วสัมปชัญญะก็มีสัมนาธิมีขึ้นมาต่อไปก็ปัญญาเบื้องต้นมีศรัทธาความเพียรก็เกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะนั้นสติเนี่ยเป็นหลัก ร, รมสำคัญมีสติแล้วมันก็ทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์ขึ้นในจิตเราได้อันนี้ขั้นต่อไป วันนี้เรามีเวลาน้อยจึงไม่ไม่ได้พูดอธิบายสภาวธรรมที่มันมากไปกว่านี้เราพูดอยู่ในขั้นจิตสงบจิตเป็นสมาธิถ้าหากจิตตั้งมั่นต่อไปสติมีกําลังจิตตั้งมั่นแล้วมันถึงจะมีปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงนี่จิตเจเราจะคลายออก ความทุกข์จะน้อยลงไปเองโดยธรรมชาติจิตจะค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากบุทุชนเป็นพารยบุคคลได้มันจะเป็นพารยาบุคคลได้ก็พราะเราปฏิบัติเอาให้ดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะทบทวนดูว่านิจิตเราเป็นยังไงเริ่มต้นเป็นยังไงนะและขณะนี้เป็นยังไงการบูชาพระพุทธเจ้าเราได้เอากายเอาใจเรามาปฏิบัติบูชาแล้ว เราชำระใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมือนกับว่าเครื่องสักการบูชาของเราเนี่ยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจจากนั้นก็ตั้งปณิธานอย่างนี้ไม่ทิ้งเพราะการตั้งปณิธานเป็นการที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนอะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรียกว่าเราเนี่ยเข้าถึงไตรสรณาคม อันนี้มีอ น, นิสงฆ์มากกว่าทำบุญทั่วทไปเราพอใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอ น, นิสงฆ์มากข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปย้ำเลยให้จิตของเราเนี่ยมีหลักมีที่พึ่งทางจิตใจต่อไปเราไม่หวังพึ่งอย่างอื่นเราหวังพึ่ง คำสอนของผู้ที่หมดสินญาสวัคกิเลสคำสอนของผู้ที่มีจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพ้นจากทุกในวัตฏฏสงสารโดยเดิด ถ้าเราไม่พูดเองไม่ไม่นึกเองก็เรารับเข้าไปก็ได้เรารับเข้าไปเป็นของเราเลยลงใจตกลงใจอย่างนี้ก็ใช้ได้มันจะเป็นความปรารถนาอันเดียวกันกับที่พระเจ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์จะดับทุกข์ภายในจิตใจอเอางานวันนี้ก็พอแค่นี้นะเอามีใครอยากจะพูดเราอยากถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะถามคําถามอีกแล้ว ใครรู้สึกว่าคืนนี้กับคืนแรกคืนนี้ดีกว่าคืนแรกยกมือขึ้นโอ้เยอะนะเอามือลงใครรู้สึกว่าคืนแรกดีกว่าคืนนี้ไม่มีไม่มีวันนี้ใครรู้สึกว่าจิตที่อยู่อยู่ได้นานขึ้นกว่าคืนเมื่อวานนี้วันนี้ใครรู้สึกว่าอยู่นานกว่าเมื่อวา น, นดีดีลูกศิษย์อาจารย์ใช้ได้ ใครรู้สึกว่าจิตที่อยู่มากกว่าไปวันนี้รู้สึกว่าจิตที่อยู่มากกว่าไปเอาไม่มีนะเออมีมีมีเอายกมือหน่อยอ้าจะได้ลองดูสถิติเออมีมีมีมวันแรกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะวันนี้มีละใครรู้สึวกว่าจิตที่อยู่กับจิตที่ไปพอๆกันอ่าใช้ได้ใช้ได้อาพอมีใครรู้สึกว่ายังไปมากกว่าอยู่ ida. คืออยู่เนี่ยน้อยกว่าไปละมันชอบไปบ่อย อ่าโอเคอันนี้คือให้รู้แล้วว่าเราเริ่มเห็นจิตเราที่ถามนี่ก็คือว่าตรวจสอบดูว่าเราเริ่มเห็นจิตตัวเองหรื อ, อยังแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยสังเกต ด, ดูจิตเราแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มสังเกต ด, ดูจิตเราเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีมีความคิดมีอยู่ตลอดเวลานอกจากเรามีสติควบคุมเอาไว้เนี่ยความคิดก็จะลดลงไปน้อยลงไปหรือว่าความคิดหยุดไปชั่วคราวก็มี ใครรู้สึกว่ามันหยุดคิดไปชั่วคราวมีเห็นไหมเห็นไหมที่จิตมันหยุดคิดชั่วคราวมีไหมที่มันอยู่เฉยเฉยมีไหมอ่านนี้ใช้ได้มีคนนะมีมีมีคนเห็นอ่าใช้ได้นี่ถ้าหาว่าเราปฏิบัติทุกวันนะปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตของเราคุณภาพจิตก็จะดีขึ้นมาชีวิตเราก็จะดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วอุทิศบุญไปอีกบุญเกิดจากการให้บุญก็มีพวกนี้ได้บุญแล้วเขาจะมาช่วยเรา มันจะทำให้เราจเจริญขึ้นเอาบอกวิธีให้หมดแล้วนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะธรรมะของมูธเจ้านะเอางาั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะนมมแบบีม พระเจ้าพระองค์นั้นอราโตซึ่งเป็นผู้ไถ่จากกิเลสสมมาสมคุตตสัมประเสริฐเจาะกายโยพระองค์เอง